ตัอย่างคำสอนติดเตือนการสั่งสมครอบครองทรัพสมบัติไว้โดยไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นในปฐมมาปุตตะสูตสังยุตตนิกายสขาทวักเหมียเรื่องว่าคราวหนึ่งพระเจ้าประสเิโกสนสเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อย่างวันพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าพระองค์สเสด็จมาจากไหนแต่อย่างวันพระเจ้าประสเิโกศลก็กราบทูลว่า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 ซึ่งอำหนยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวร ร, รค์พอค่ของเขาที่ได้กินใช้โดยชอบเหล่านั้นราชาทั้งหลายก็ไม่คนเอาไปโจรทั้งหลายก็ลักไม่ได้ไฟก็มิได้ไหมน้าก็มิได้พัดผ่าไปทายาทอัปรีก็เอาไปไม่ได้พอคะเหล่านั้นของเขาซึ่งกินใช้อยู่โดยชอบย่อมถึงการบริโภคไม่หมดสิ้นไปเปล่า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 ตรัสกับพระเจ้าปเสณธิโกศลอีกว่ามหาบพิตรเหล่าสัตว์คือมนุษย์จำพวกที่ได้พกกรัพั์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่หลงไหลในกามและทั้งไม่ปฏิบัติผิดพ ร, ร้ายต่อสัตว์คือมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอยู่ในโลกเพียงจำนวนน้อยส่วนเหล่าสัตว์จำพวกที่ได้พกกรัพย์ยิ่งใหญ่โอฬารแล้วมัวเมาประมาทหลงไหลในกาม และทั้งปฏิบัติผิดพร้ายต่อสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละมีอยู่ในโลกจํานวนมากมายกว่าโดยแท้ท่านเปรียบคนที่เก็บรวบรวมทรัพย์ไว้แล้วไม่ใช้ไม่แบ่งปันว่าเป็นเหมือนนกชนิดหนึ่งเรียกว่าไมฮะ ก, กะซึ่งคอยเฝ้าต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วก็ร้องว่าไมหั่งไม่หังห่งแปลว่าของข้าของข้าเมื่อหมูนกอื่นๆพากันบินมาจิกกินผลเลียบ